จเจริญพนท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประพฤติมาปฏิบัติมาบำเพ็ญ คุณงามความดีบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสั่งสอนให้บำเพ็ญกันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยการทำบุญถวายทานด้วยการรักษาสีล์ด้วยการปฏิบัติ ธ, ธรรมด้วยการฟังเทศฟังธรรม เพื่อเป็นการบูชาแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตดังในพระบาลีที่ได้ทรงตัดไว้ว่าบูชาจะปูชนียานังเอตมมังกาลมุตตะมังการบูชาบุคคล ที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่ง ừ ừ. การบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาก็คือ พ, พระพรุทธนาฏยาไรพระพุทธธรรมพระสงฆ์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐการบูชานี้เราก็ได้ทากันครบทั้งสองอย่างด้วยกัน คืออามิสบูชาคือการบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสักการะต่างๆและบูชาด้วยปฏิบัติบูชาคือด้วยการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบทำบุญให้ทานอย่างสม่ำเสมอรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรม นี่คือการบูชาที่แท้จริงอยู่ที่การปฏิบัติบูบชาถ้าเราไม่มีดอกไม้ทุบเทียนก็ไม่เป็นปัญหาอย่างไรเพียงแต่กราบพระสามครั้งแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็ใช้ได้ ดอกไม้ทูบเทียนนี้เป็นอามิสบูชาซึ่งไม่มีน้ําหนักเท่ากับปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชานี้เป็นการบูชาอย่างแท้จริงดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าไว้ว่าผู้ใดที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นั้นแลคือผู้บูชาเราตถาคต อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตัวเราให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราอยู่กันอย่างร่วมเย็นเป็นสุขทั้งตัวเราเองและผู้อื่นเราสามารถอยู่ได้สองลักษณะด้วยกันอยู่ด้วยการสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อน สร้างความวุ่นวายให้แก่กันและกันหรืออยู่อยา่างโล่มเย็นเป็นสุขทั้งตัวเราเองและผู้อื่นขึ้นอยู่ที่การกระทำเป็นหลักถ้าเราอยู่ตามความโลภความโกรธความหลงตามความอยากต่างๆเราก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราเองและแก่ผู้อื่นถ้าเรา อยู่อย่างมีพรหมวิหารอยู่ด้วยพรหมวิหารคือมีความเมตตากรุณามุดิตาอุเบกขาเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั้งตัวเราเองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราเพราะพรหมวิหารคือความเมตตากรุณามุดิตาอุเบกขา นี่เป็นเหมือนกับน้ำเย็นเป็นสิ่งที่ให้ความร่มเย็นแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัตินี้มีแต่ผลดีโดยถ่ายเดียวไม่มีผลเสียไม่มีผลร้ายแต่อย่างใดต่างจากการปฏิบัติ ตามอำนาจของความโลภความโกรธความหลงตามความอยากต่างๆจะที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายใจเวลาที่เราเกิดความอยากอยากได้อะไรเราก็ต้องไปสแสวงหาตามความอยากของเราถ้าเราไม่สามารถหาได้ด้วยวิธีสุดจริ เราก็จะหาด้วยวิธีทุจริตถ้าเราไม่สามารถหาได้ด้วยความมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเราก็หามาด้วยการไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีเช่นไปแก่งแย่งชิงดีกันแล้วก็ไปทำร้ายกันเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ปรารถนา แต่ถ้าเรามีความเมตตากรุณามุลิตาอุเบกขาอยู่ในใจถึงแม้ว่าเรายังมีกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงอยู่ยังมีความอยากความต้องการอยู่เวลาเราอยากได้อะไรเราก็จะมีความเมตตากรุณามุลิตาอุเบกขาเป็นเครื่องกำกับ ความโลภความต้องการของเราเราอยากได้อะไรถ้าเราหามาได้โดยที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเราก็หามาถ้าเราไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเราก็จะระ ง, งับเราก็จะไม่หามาเราก็ไปหาที่อื่นหรือไปหาสิ่งอื่น ที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเพราะความเมตตานี้ความหมายก็มีอยู่3ประการด้วยกันคือ 1. อเวลาหนนตุคือการไม่มีเวรไม่จองเวรจองกรรมไม่อาฆาตพยาบาทเช่นเวลาเราแข่งขันเพื่อที่จะเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้าเกิดเราแพ้เขาเราจะไม่โกรธเราจะไม่เกลียดเราจะไม่อาค่าพยาบาทจองเวรผู้ที่ชนะเราเพราะเรารู้ว่าการชนะผู้อื่นนี้ไม่ได้เป็นการยุติเวรกรรมมีแต่จะทำให้มีเวรมีกรรมตามมาถ้าเราไปเราแพ้เขาเราก็อยาก เราก็จะมีความอาฆาตพยาบาทถ้าเราชนะเขาเขาก็จะมีการอาฆาตพยาบาทดังนั้นถ้าเราไม่จาเป็นเราจะไม่ไปแข่งขันกับใครใครอยากได้อะไรถ้าเขาอยากได้เราก็ให้เขาไปเราไปหาสิ่งที่ไม่มีใครอยากได้ก็ได้และเป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งต่างๆที่คนในโลกนี้อยากได้ เจอได้ซ้ำไปเพียงแต่เราไม่รู้กันนั่นเองสิ่งที่คนต่างๆทั้งหลายอยากได้ในโลกนี้มันไม่มีคุณค่าอย่างไรแก่ชีวิตจิตใจของพวกเราเช่นเงินทองเช่นยศถาบรรดาศักดิ์เช่นการมีหน้ามีตามีการยกย่องมีคนยกย่องสรรเสริญสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีประโยชน์แกจ่จิตใจ มีแต่จะทำให้จิตใจต้องทุกข์วุ่นวายไปกับมันเพราะมันไม่เที่ยงนั่นเองเวลาได้มาก็ดีอกดีใจแล้วก็ต้องมาคอยดูแลรักษาคอยห่วงคอยหวงคอยกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับกลัวมันจะสูญหมดไปและวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปอยู่ดี เพราะโดยธรรมชาติของมันมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เที่ยงถ้ามันไม่หมดจากเราไปเราก็หมดจากมันไปคือเมื่อเราตายไปลาบยศสโละเสญสุขต่างๆที่เรามีอยู่ก็จะเป็นของคนอื่นไปนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราแย่งกันอยากได้กันแล้วก็มามีเวณมีกรรมกัน เพราะความอยากได้แล้วก็เบียดเบียนกันเพราะว่าเมื่ออยากได้อะไรมากๆแล้วจะต้องเอามาให้ได้นั่นเองแต่ถ้าเรามีความเมตตาอยู่ในใจของเราเราจะไม่จองเวรเราจะไม่เบียดเบียนถ้าเราต้องไปจองเวรหรือไปเบียดเบียนเราก็จะไม่เอาสิ่งนั้น เราเอาสิ่งที่ไม่มีคนอยากได้ดีกว่าสิ่งที่คนไม่อยากได้กันนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตจิตใจยอย่างยิ่งคือการเสียสละคือการหาความสุขจากการอยู่โดยไม่ต้องมีอะไรภายนอกนอกจากปัจจัยสี่ที่จําเป็นต่อการครองชีพต่อการดำรงชีพเท่านั้น แต่เรื่องอย่างอื่นเช่นเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์การยกย่องสรรเสริญเยินยอหรือความสุขทางตาหูจมูกปิ้นกายสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีคุณค่ามีคุณประโยชน์แก่ใจของเราเราไม่ต้องการมันเราต้องการบุญต้องการกุศลเพราะบุญกุศลนี้แล ที่จะทําให้จิตใจของเรามีความสงบเมื่อมีความสงบแล้วเราจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องแย่งกันทําเพราะไม่มีใครเขาอยากจะทํากันไม่ค่อยมีใครอยากจะเสียสละไม่มีใครอยากจะทําบุญให้ทางไม่มีใครอยากจะรักษาสี ไม่มีใครอยากจะปลีกวิเวกไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดอยู่ตามลําพังไม่มีใครอยากจะนั่งสมาธิไม่มีใครอยากจ ะ, จะเจริญปัญญากันเราทําสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะสบายใจเพราะเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงดีกับใครไม่ต้องไปมีเวรมีกรรมกับใครและ ได้ความสุขที่แท้จริงจากการกระทาด้วยต่างกับการกระทาที่เรากระทากันที่เราชอบแย่งกันทาคือแย่งหาเงินหาทองแย่งหาตำแหน่งแย่งหาฐานะหน้าตาแย่งหาความสุขทางตาหูจมูกร่นกาย พอเราแย่งกันแล้วเราก็เกิดการโกรธเกลียดกันเกิดการอาฆาตพยาบาทกันและเกิดการเบียดเบียนกันทุกวันที่เราอ่านหนังสือพิมพ์นี้ก็เป็นเรื่องของของการแก่งแย่งชิงดีในเรื่องลาบยศเสริญสุขแล้วก็ส่งผลไปสู่การเบียดเบียนกันไปลักขโมยไปช่อโกง ไปฆ่ากันตามมาเพราะใจไม่มีคุณธรรมคือพรหมวิหารสี่นั่นเองที่จะคอยควบคุมจิตใจเวลาจะแสวงหาอะไรก็ตามไม่ให้ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นถ้าเรามีพรหมวิหารสี่มีความเมตตากราุณาโมดิตาอุเบกขาแล้ว เราจะไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเพราะใจของเราจะมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนั่นเองมีความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขถ้าการกระทาของเราไปทำให้เขามีความทุกข์เราก็จะระงับทันทีเราจะไม่ทำทันทีเพราะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปหา สิ่งต่างๆที่คนส่วนใหญ่ชอบหากันชอบแย่งกันเราหาส่วนที่สิ่งที่ไม่มีคนเข้าแย่งกันก็ได้และดีกว่าด้วยนั่นก็คือหาบุญหากุศลนี่เองอย่างพวกเราเวลามาวัดกันนี้ก็ไม่ต้องแย่งกันมาเพราะไม่ค่อยมีใครอยากจะมากันแต่ถ้าเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เราต้องแย่งกันต้องเข้าคิวต้องมีแก่งแย่งชิงดีกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะทำให้เรามีความไม่สบายใจตามมาเพราะเราขาดความเมตตากันเวลามีความโลภมีความอยากมากๆแล้วความเมตตาความกรุณานี้มันจะถูกผลักออกไปจากจิตจากใจ แต่ถ้าเรามีความเมตตากรุณามากเพียงไรความโลภความอยากในสิ่งต่างๆก็จะมีน้อยลงไปเพราะเราจะเห็นคุณค่าของความสงบของใจว่าเป็นความสุขที่แท้จริงนั่นเองส่วนความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆนั้นเป็นความสุขที่จอมปลองเป็นความสุขที่ได้มา เดียวเดียวแล้วก็จางหายไปเหมือนควันไฟเวลาได้อะไรตามใจอยากก็ดีอกดีใจไปชั่วระยะหนึ่งหลังจากนั้นมันก็หายไปหมดแล้วก็ต้องมีความอยากขึ้นมาใหม่ต้องไปแก่งแย่งชิงดีใหม่จะเป็นอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราตัด ความอยากต่างๆได้ด้วยการทำบุญด้วยการรักษาสีด้วยการเจริญพรมวิหารสีอยู่ภายในใจของเราใจของเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆจนจะไม่มีความโลภความอยากกับสิ่งต่างๆได้ในโลกนี้เลยเมื่อเราไม่มีความโลภความอยากแล้ว เราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปแก่งแย่งชิงดีกับใครเราจะไม่ต้องมาวิตกกังวลกับการดูแลรักษาสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเพราะถ้าเรามีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยสมบัติเข้าของเงินทอง เราไม่ต้องอาศัยความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าที่เกิดจากความสงบนี่การที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาเจริญพรหมวิหารสีก็เพื่อที่จะ ทำให้ใจของเรานั้นสงบนั่นเองถ้าใจได้สงบแล้วจะไม่หิวไม่อยากจะไม่ต้องการอะไรจะไม่หลงไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปกับการการสูญเสียของสิ่งต่างๆไปเพราะใจไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งต่างๆ เพราะใจมีสิ่งที่ดีกว่าอยู่ในใจนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะเจริญพรหมวิหารสีกันอยู่เรื่อยๆการทําบุญให้ทานนี้ก็เป็นการเจริญเมตตาและเจริญกรุณาเวลาเราให้ข้าวให้ของแก่ผู้อื่นก็เป็นเพราะว่าเรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความปรารถนาดีนี้ก็คือความเมตตา เราอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขสสเมสสเปสตาสุขีอตานังปาริหารันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขรักษาตนเถิดนี่คือลักษณะของความเมตตาอเวราหรนตุไม่ต้องการที่จะจองเวรจองกรรมอัปยาปัชาหรนตุไม่ต้องการเบียดเบียนผู้อื่น ไม่ต้องการสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นการทำบุญให้ทานนี้มีแต่ความปรารถนาดีปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขแล้วก็มีความสงสารคือมีกรุณาความกรุณานี้คืออยากจะให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์พ้นจากความเดือดร้อนพ้นจากการอดอยากขาดแคลน เรานำกับข้าวกับปลาอาหารมาถวายให้แก่พระภิกษุสามเณรเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่เอามาพระภิกษุสามเณรก็จะต้องอยู่อย่างอดอยากขาดแคลนนั่นเองเราเอามาเราก็มีความกรุณาคือมีความสงสารเวลาเราได้ทําแล้วใจของเราจะมีความสุข พะเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นความสุขนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเรานี่เป็นหลักกรรมหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้ให้สุขแก่ผู้อื่นสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราให้ทุกข์แก่ผู้อื่นทุกนั้นก็จะกลับมาหาเราเช่นเวลาเราไปเบียดเบียนไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ใจของเราก็จะเกิดความทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาเพราะเราจะวิตกกังวลหวาดกลัวที่จะต้องถูกเขามาทำร้ายมาเบียดเบียนเรานั่นเองถ้าเราไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จะไม่มีผู้อื่นมาทำร้ายมาเบียดเบียนเราเพราะไม่มีใครอยากจะทำร้ายใครเราก็ไม่อยากจะทำร้ายใคร คนที่เขาไม่ทำร้ายเราเราจะไปทำร้ายเขาทำไมคนที่เขาทำดีกับเราเราจะไปทำร้ายเขาได้อย่างไรเพราะคนที่เขาทำดีกับเราเราก็อยากจะทำดีตอบแทนเขาไปใครเขาทำอะไรกับเราเราก็อยากจะทดแทนบุญคุณที่เขาได้ทำให้กับเรานี่เป็นหลักของจิตใจเป็นอย่างนี้ใจนี้ ชอบทำสิ่งตอบแทนต่อกันละกันถ้าทำร้ายเราเราอยากเราก็อยากจะทำร้ายเขาแต่การตอบแทนแบบนี้เป็นการกระทำที่ไม่ดีเพราะจะทำให้เวรกรรมนี้ไม่มีการสิ้นสุดจะมีแต่การจองเวรจองกรรมไปจนวันตายและไปต่ออีกในภพภพต่อๆไป พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราไม่จองเวรกันเพราะเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรถ้าใครทำร้ายเราขอให้เราคิดเสียว่าเป็นการใช้หนี้เก่าก็แล้วกันเราอาจจะไปทำร้ายเขามาก่อนในอดีตตะชาติก็ดีหรือในชาตินี้ก็ดี แต่เราอาจจะจําไม่ได้หรือเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาถูกเราทําร้ายเราก็อย่าไปจองเวรจองกรรมคิดเสียว่าเป็นการใช้หนี้ใช้เวรใช้กรรมไปก็แล้วกันถ้าเราไม่ไปตอบโต้ไม่ไปทําร้ายเขาเขาก็จะไม่กลับมาทําร้ายเราอีกเรื่องก็จะจบไปแต่ถ้าเราไม่ยอมอยู่ เขาทำร้ายเราแล้วเราก็ไปกลับไปทำร้ายเขาเขาก็จะคิดเช่นเดียวกับเราเขาถูกเราทำร้ายเขาก็จะต้องกลับมาทำร้ายเราก็จะลามปานไปจนถึงกับการฆ่ากันเลยก็ได้เรื่องของเวรกรรมมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราจึงควรที่จะระ ง, งับเวรระงับกรรม ส่วนหนึ่งของชีวิตของเราที่เราเกิดมาอยู่ในโลกนี้นั้นก็คือมาใช้เวรชายกรรมนั่นเองอีกส่วนหนึ่งก็คือมาสร้างบุญสร้างกุศล <Yeah. S 1> เวลาเรามีข้อกรรมต่างๆก็อย่าไปตอบโต้อย่าไปจองเวรจองกรรมกับผู้ที่ทําให้เราเกิดความเดือดร้อนขึ้นมา แล้วต่อไปเราจะไม่มีเวรมีกรรมตามมานั่นเองนี่คือเรื่องของความเมตตาเป็นอย่างนี้ถ้าเราระ ง, งับดับความอาฆาตพยาบาทได้ใจของเราจะเย็นจะสบายถ้าเราระ ง, งับไม่ได้ใจของเราจะร้อนอยู่ตลอดเวลาจนกว่าเราจะได้ไป ทำร้ายผู้ที่เขาทำร้ายเราแล้วแต่มันก็จะระงับเพียงเดียวเดียวแล้วความทุกข์อย่างอื่นก็จะเกิดตามมาเองก็คือเกิดความหวาดกลัวเกิดความกังวลที่จะต้องถูกเขามาเรียยคืนไปอีกนี่แหละผลมันปรากฏขึ้นมาในใจทันทีในชาตินี้เลยไม่ถึงไม่ถึงต้องรอถึงชาติหน้า การการมีการให้อาภัยนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งสำหรับจิตใจของเราดังนั้นเวลาที่เราเกิดความแค้นขอให้รีบนำเอาน้ำคือกะคืออาภัยทานนี้มาดับถ้าเราให้อาภัยแล้วใจของเราจะเย็นใจของเราจะสงบ <Okay. S 1> จะสบาย จะไม่เดือดร้อนได้อย่างใดส่วนการความกรุณานก็คือการคอยดูแลช่วยเหลือผู้อื่นเวลาผู้อื่นเดือดร้อนถ้าเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ควรจะช่วยเหลือเขาถ้าเราช่วยเหลือไม่ได้สุดวิสัยเราก็ต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาคือต้องปล่อยวาง ว่าถือว่าเป็นกรรมของเขาก็แล้วกันเราช่วยเขาได้เท่านี้ถ้าเขายังไม่พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของเราของเขาถ้าเรามาทุกมาเดือดร้อนเพราะเราไม่สามารถช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้แล้วเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูก เป็นการเบียดเบียนตนเองเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตนเองเราก็ต้องมีอุเบกขาอุเบกขาก็คือการปล่อยวางการทำใจให้สงบไม่ให้ไปเดือดร้อนกับความทุกข์ของผู้อื่นถ้าเราพยายามเต็มที่แล้วช่วยเขาแล้วเต็มที่แต่ช่วยไม่ได้ช่วยได้เท่านี้ก็ต้องยอมรับความจริง อย่าไปทุกไปเดือดร้อนแทนเขาเพราะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆ เ, เสียเวลาไปเปล่าๆ เ, เราจึงต้องมีอุบเบกขาด้วยไม่ว่าเราจ ะ, จะเจริญเมตตก็ดีจเจริญกรุณาก็ดีหรือมุดิตาก็ดีเช่นมุดิตานี้ก็คือการแสดงความยินดีต่อความสุข ต่อความเจริญของผู้อื่นเห็นผู้อื่นเขามีความสุขเขาได้ดิบได้ดีก็ไม่อิจฉาหริอสแต่กับแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าของเขาถ้าเกิดเขาไม่สนใจไม่แสดงความขอบอกขอบใจเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปโกรธเราก็ต้องกลับมาอยู่ที่อุเบกขา อุเบขานี่เป็นจุดยืนของเราเสมอไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเรามีความเมตตาแก่ผู้อื่นทักทายผู้อื่นยิ้มแย้มแจ่มใสปรารถนาดีต่อผู้อื่นแต่ผู้อื่นไม่ตอบรับไม่ตอบสนองเราก็ไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปเสียใจเราก็ทำใจของเราว่าเป็นเรื่องของเขา เขาอาจจะมีปัญหาบางอย่างในใจของเขาที่ทำให้เขาไม่สามารถแสดงความเมตตากับเราไม่ไม่สามารถแสดงความมีไมตรีจิตต่อเราเราก็อย่าไปโกรธอย่าไปตัดความเมตตาทิ้งไปเราก็เพียงแต่ทำใจให้สงบไว้ด้วยอุบเบกขาว่ามันเป็นเรื่องของเขา เราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วคือเราได้แสดงไมตรีจิตเราได้เจริญเมตตาแล้วเราได้เจริญความกรุณาแล้วเราได้เจริญมุทิตาแล้วถ้าไม่มีผลที่ดีกลับมาหาเราเราก็อย่าไปเดือดร้อนเราก็ต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาถือเสียว่าเจอ พวกที่บอกบุญไม่รับก็แล้วกันเมื่อเขาไม่รับบุญไม่รับความปรารถนาดีของเราก็ไม่เห็นจะเสียหายอย่างไรเราก็ยังเราก็ยังมีความปรารถนาดีอยู่อย่างนั้นเพราะความปรารถนาดีคือความเมตตากรุณามุญนิตานี้จะเป็นธรรมะที่รักษาใจของเรา ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองถ้าเราไม่มีเมตตากรุณามมหิตาแล้วเราจะเกิดความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเราจะเกิดความอิจฉาริษยาหรือเราจะเกิดความใจแคบใจจืดใจดำขึ้นมาซึ่งถ้ามีอารมณ์เหล่านี้อยู่ในใจแล้วจะทำให้เราไม่มีความสุข จะทำให้เรามีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความทุกข์นั่นเองดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องมีพรหมวิหารสีนี้ไว้คอยรักษาใจของเราอยู่เสมอถ้ามีแล้วใจของเราจะเย็นจะสบายจะสงบจะไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆกับการกระทำของคนของผู้อื่นเราจะอยู่ของเราได้อย่าง ปลอดภัยเพราะเราไม่ไปสร้างเวรสร้างกรรมให้กับใครมีแต่จะให้ความสุขแก่ผู้อื่นจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงบูชาพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเป็นการเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราด้วยการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบ ด้วยการเจริญพรหมวิหารสี่ให้มีอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวลาจึงขอฝากเรื่องของการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา